บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงความรู้สึกเวลากระทบอารมณ์จากภายนอกโดยการเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นจมูกลิมรถด้วยลิ้นถูกต้องยืนน้นแข็งด้วยกาย ตลอดถึงใจเป็นเหนียวนึกสุกนึกอารมณ์ในทางใจในกรณีที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสที่ทรงใช้ในที่นี้ว่าสังโยชน์คือกิเลสที่เป็นเครื่องผูกใจสัตว์อยู่คือหมายความว่าในขณะนั้นสังโยชน์ก็สงบอยู่ภายในใจแต่เวลามีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระธํามารมมันก็ต้นจากกนนอกกิเลสเหล่านั้นก็ฟูขึ้นรับตามลักษณะของตนแต่ว่าเวลาฟูขึ้นกรุ่มรุมภายในใจนั้นก็สงใจคำว่าเป็นนิพพานแต่เพิ่สังเกตว่าเป็นการพูดระดับความคิดไม่ใช่พูดระดับของการกระทาหรือว่าการพูด เราต้องการให้บุคคลได้ศึกษาดูสภาพจิตของตนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบอารมณ์ในแต่ละขณะตามปกติแล้วเวลาเห็นรูปเป็นต้นนั้นไม่ได้หมายความว่ากิเลสจะเกิดขึ้นเสมอไ ป, ปะลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบใจนั้นบางครั้งก็เกิดกิเลสประเภทที่กระตุ้นความกำหนัด คือเพิ่มความอยากความต้องการความปรารถนาให้มากขึ้นภายในใจเป็นเรื่องของลักษณะอารมณ์ที่ใจเราไปกำหนดคือไปให้ความสำคัญ่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไปร้อกลิน่นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องซึ่งบางครั้งแม้เป็นเรื่องของความคิดกิเลสประเภทเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความดั่งดนั้นเป็นความใคร่ของคนซึ่งหมายความว่าตัววัตถุนั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นถ้าใจเราไม่ไปให้ความสําคัญไม่ไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจเขาก็อยู่อย่างเขาอยู่เราก็อยู่อย่างที่เราอยู่มันแยกออกจากกันแต่การที่ไปเชื่อมกัน ก็เชื่อมจากใจเราไปกำหนดคุณค่าของสิ่งนั้นขึ้นมาถึงก็เป็นความรู้สึกของเราที่จริงก็ในขณะนั้นๆไม่ใช่เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะความรู้สึกเองมันก็เป็นสภาวธรรมคือไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้เหมือนกันต่อย่าลืมว่าในอารมณ์เดียวกันนั่นเองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในยินรนอนแข็ง อย่างเดียวกันนั่นเองบางคนก็อาจจะเกิดโทสะคือ เ, เกิดความไม่พอใจเกิดความรำคาญเกิดความมุ่งิดขึ้นมาก็เกี่ยวเนื่องมาจากการที่ใจเราไปมองสิ่งเหล่านั้นไปรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นในทางลบคือในทางปฏิเสธแม้เสียงนั้นจะเป็นเสียงดีเช่นเสียงของการไหว้พระสูตรมนต์ เสียงของการกล่าวธรรมะหรือเสียงการพูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์ต่างๆซึ่งผู้ฟังถ้ากำหนดที่ดีทั้งใจฟังทั้งใจคิดก็จะได้ประโยชน์แต่น้อยก็ได้ความรู้ความเข้าใจได้ความสงบใจความเยือกเย็นใจาหากว่านำมาคิดตามพิจารณาตามแล้วก็ปฏิบัติตาม แต่บางคนอาจจะมีความรู้สึกต่อต้านคัดค้านเสียงที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเพราะเราจะเห็นว่าบางทีเจตนาของผู้พูดดีๆแต่ผู้ฟังมีความรู้สึกในทางไม่ดีซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกในทางไม่ดีต่อคนที่พูดต่อเรื่องที่พูดหรือต่อเสียงที่ตนได้ยินก็นได้ เกิดจะหมดทั้งสอย่างหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ความรู้สึกในทางไม่ชอบก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจตนาดีบางครั้งเนี่ยเจนการแนะนำว่ากล่าวตักเตือนให้สติแก่ลูกหลานญาติพี่น้องผู้ดใดบังคับบัญชาเป็นตน้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ฟังจะมีความรู้สึกพอใจยินดีเสมอไป บางครั้งเขาอาจจะไม่ชอบผู้พูดบางครั้งเขาอาจจะไม่ชอบเรื่องที่พูดบางครั้งเขาอาจจะไม่อยากฟังเสียงเสียงเสียงของคนคนนั้นหรือว่าเสียงในลักษณะ น, น, นั้นความรู้สึกต่อต้านก็จะเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของครับและในขณะเดียวกันก็คนกลุ่มหนึ่งอาจจะมีความพอใจในตัวคน พูดก็เป็นเหตุได้พอใจในเรื่องที่พูดแล้วพอใจในเสียงของเขาขสรุปว่าตัวการสำคัญจริงๆก็อยู่ที่ใจเราซึ่งไปกำหนดรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะธรรมรมเหล่านั้นในแต่ละขณะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางใจในกรณีนี้ส่งเน้นเฉพาะที่เกิดกิเลส ซึ่งตามสภาพความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดกิเลสเสมอไปเพียงแต่ว่าในจุดนี้ให้มองในส่วนของกิเลสเท่านั้นเองแต่กิเลสประเภทสังโยชนีเน่เป็นกิเลสประเภทลึกมากแล้วก็ตัดได้ยากเลยคนจะตัดได้ขาดจริงๆสามข้อแรกก็ต้องเป็นประโสบดาบันแล้วหมายความมันยังไงหมายความภาษาบาลชนนั้นไม่มีทางจะตัดได้ พอตัดได้ปป๊บเขาก็เปลี่ยนสถานะจากสามัญชนเป็นประยาบุคคลเพราะในแนวคําสอนจริงๆในสายนี้พระพุทธเจ้าก็สอนในะระดับต่างๆจนระดับของศีลธรรมจัญญานั้นไม่ได้สอนให้ถึงกระดับปึจงจิมก็ดับย า, ยากอยู่แล้วแต่ว่าทำอย่างไรให้คนเรามีความรู้สึกที่เป็นเราเป็นเขา น, ะน้อยลง ย้ายมีความรู้สึกรุนแรงจนถึงกระห้่นหันกันทำลายล่างกันเบียเบียนประทุษร้ายจนกลายเป็นศึกสงครามกันอย่างที่เป็นข่าวคราวอยู่ทุกวี่ทุกวันในทุกยุคทุกสมัยอาการเหล่านี้ที่จริงก็เกิดจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาอย่างรุนแรงที่ต้องการจะทำลายเขาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เราและเป็นศึกจะลามปามไปที่ทำลายทรัพย์สินของเขาทำลายคู่ครองของเขาทำลายผลประโยชน์ต่างๆของเขา พอจะเริ่มที่ทำลายมันก็ทำลายไปดีทีนี้ตีต่างว่ามันเริ่มไปด้วยความอยากแล้วก็อยากได้ไปด้วยจนหนึ่งก็ไปเบียดเบียนชีวิตเขาเพื่ออยากได้ของของเขาตรงนั้นเราไม่ต้องการเขาแต่เราต้องการข อ, ของเขาก็อาจจะไปทำลายเขาหรืออาจจะต้องการตัวเขาแล้วก็ไปทำลายของของเขาหรือทำลายวงศ์สาคณะญาติของเขา เพราะเราจึงพบสงครามต่า ง, างๆจะเกิดขึ้นในโลกมันเกิดขึ้น้วยความโลภความโกรธความหลงที่แรงแล้วก็มีการปลุกราวให้รุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งในในที่บางแห่งเวลารบ ก, กันรุนแรงก็จะสร้างความรู้สึกในร่วมคกลนตะโกนพร้อมกันว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันปลุกราวก็จอย่อย่างนี้เรื่อยๆ เพื่ก็เกิดฮึกเหิมเราเห็นว่าอาการที่ปรากฏภายในจิตใจของคนเหล่านั้นก็มืดบอดลงไปถกกขนาไม่ถามมาค่าใครทำไมจะต้องฆ่าฆ่าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเราจะได้บุญได้กุศลอะไรจากการฆ่าี่ไม่มีความคิดเหล่านั้นเดียเพราะว่าจิตใจนั้นได้รับข้อมูลด้านเดียวแล้วก็มองเขาในแง่เดียวคือเป็นผู้ที่ตนจะต้องทาลายลนั่นเอง แล้วพอปลุกราวมากจิ้งขึ้นเนี่ยคนก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมของตัวเองเป็นวีดกรรมของตัวเองที่สามารถฆ่าคนได้ฆ่าได้มากๆบางคนเหล่านั้นก็กลายเป็นวีดชนทั้งๆที่เป็นคนประพฤติทั้งผิทงผดทั้งศีลตั้งธรรมจิตใจถูกย้อมด้วยแรงของกิเลส อาจจะมุ่งไปที่คนเกิดเกิดโทสะที่คนจนมีกำลังมากพอที่จะฆ่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นความชอบธรรม ท, ทงกล่าวที่ตนได้ฆ่าแล้วจากนั้นก็มุ่งไปที่ผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเจ้าของก็ตายแล้วก็ไปริบไปยึดไ ป, ไปล่วงไปหยิบชวยทรัพย์สินเงินทองหล ด, ดนั้นนั้นก็เป็นการกระทำไปด้วยความโลภ แต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยต้องการจะแสดงถึงความโกรธที่ยังเหลืออยู่แยะคือคนตายไปแล้ก่อนทําไม่น้ำใจก็เลยก็เผาบ้านเลยอาการเหล่านี้เราจะพบว่ามีการปลุกราวนั้นให้เกิดความรุนแรงขึ้นไปโดยลำดับแล้วในสุดมันก็สะสมความรุนแรงเหล่านั้นก็ออกมาในรูปของการฆ่ากันโดยกลายเป็นความชอบธรรม ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ค่อนข้างแก้แกยากนะครมีการบังคับบัญชามีการสั่งการกันมีการจัดเป็นรูปองค์กรลักษณะบุคคลแล้วคนที่ทําสําเร็จได้รับการยกย่องเสด็จเพราะในจุดนี้จึงกลายเป็นปัญหาโลกวิธีแก้ในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ถึงก็ไปแก้ที่นั้นทีเดียวเพเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องค่อยๆแก้ไป ในกรณีของสักกายติฐินั้นก็คงเป็นตัวเป็นตนอยู่และคงมีตัวมีตนอยู่ในระดับของชั้นศีลจึงถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นฐานเบื้องต้นของการละเว้นความชั่วการปฏิบัติความดีก็ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยมันก็เริ่มที่ศีลทำยังไงเมื่อเรายอมรับสิทธิในชีวิตของเรา สิทธิในทรัพย์สินของเราสิทธิในคู่ครองขอ ง, ของเราล ว, วงแหนทั้งหมดเราไม่ต้องการให้ใครมาล่วงเกินมาเบียดเบียนมาทุบประทุษ้ายทั้งหมดหลวงก็มองเขาในแนเดียวกันที่พเจ้าทรงใช้คำว่าอัตตาอัตัญญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนพื่สังเกตว่าตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเนี่ยเป็นการมองระดับของความจริงในแง่สมมติสัจ แม้ท่านจะเข้าไปถึงโลกุตระแล้วคือเป็นพระหันแล้วท่านก็ต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ในแง่ของจริยธรรมของสังคมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช้ตนไปหมดแล้วก็ไปทําอะไรได้ความรู้สึกของไม่ใช่ตัวใช้ตนนั้นเป็นเรื่องอยู่ภายในใจเราแต่เวลาปฏิบัติกับคนอื่นเราต้องยอมรับความเป็นตัวเป็นตนของเขาความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเขาความเป็นเจ้าของคู่ครองขอ ง, ของเขาความเป็น ของผลประโยชน์ของเขาในส่วนของความเป็นเรากับความเป็นเขานั้นก็ส่งสอนให้ลดลดระดับอะไรระดับแรกมีเรามีเขาแน่นอนแต่อย่าล่วงเกินเขาอย่าเบียดเบียนรัตุสรายร่างกายเขาจะทําทลายทรัพย์สินของเขาจะสร้างความไม่รู้สึกความรู้สึกในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นไปในใจของเขาก็เป็นการปรับไปเรื่อย เราจะเห็นว่าในความเป็นเขาเมื่อก็มีกายกับงองเขาก็จิตของเขากรวมแล้วในตรงนั้นมีแค่นั้นก่อนในส่วนร่างกายของเขาก็สอนไม่เบียดเบียนร่างกายเขาที่นี้ในส่วนจิตใจของเขาเราจะเห็นว่ามีการประพฤติปฏิบัติลักษณะเอาใจทะนุถนอมน้ำใจรักษาน้ำใจไม่เป็นการเพิ่มเชื้อกินเลแต่ว่าเป็นการเพิ่มเชื้อธรรมะ นันธรรมะเหล่านี้ที่จริงก็เป็นระดับศีลธรรมจัญญาระดับการครองเรือนครองสุขที่ยคนอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเช่นในภายในครอบครัวโดยเห็นว่านอกจากจะงดเว้นไม่ร่วงเกินในตัวชีวิตเขาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็มีการทะนุถนอมดูแลรักษาชีวิตร่างกายของกันและกัน แล้วก็มีการปฏิบัติที่เป็นการทนุถนอมน้ําใจระหว่างกันและกันเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกิริยาไม่นจะเป็นเรื่องกะเกณฑ์ให้คนใดคนหนึ่งก็ทําแต่เรื่องแต่ละคนได้ปฏิบัติธรรมธรรมะชุดนี้จึงกลายเป็นเรื่องหน้าที่ที่แต่ละควายจะต้องมีความรู้สึกเอื้ออาทรห่วงใยต่อกัน ก็มีเรามีเขาเรียบร้อยเพียงแต่ว่าให้ธนุถนอมน้ําใจกันรักษาน้าใจกันแล้วก็ยกย่องให้เกียรติกันเป็นการสนองตอบความต้องการของสรรพชีวิตทั้งหลายเพราะชีวิตทั้งหลายนั้นต้องการความรักการได้รับความรักต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยมีที่พึ่งความนักอาศัยมีการผักผ่อนหย่อนใจมีสันรนาการสนทนาสังสรรค์กันในด้านต่างๆ แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวมีสถานะหรือรับการยอมรับนับถือในสถานะสถานภาพที่เราเป็นนะะในแง่ของปรมาทิตย์จริงมันก็ไม่มีตัวตนแต่ว่าสถานภาพที่เราเป็นถึง เ, เป็นเรื่องสมมติสัจหมายความทุกคนก็ต้องยอมรับในตัวสมมติตอนนั้นก็จะเป็นอะไรไม่รู้ เมื่อได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้เป็นจากนั้นอย่างนี้โดยเงื่อนไขอะไรก็ตามเรให้ยอมรับสถานภาพของกันแต่กันเช่นความเป็นสามีพัญญาที่จริงมันก็ไม่รู้จักกันนะครับเมื่อก่อนแล้วก็ต่อมาก็รู้จักกันด้วยความเข้า อ, อกเข้าใจกันตกลงใจเป็นสามีพัญญากันเพราะจึงเริ่มต้นด้วยการยอมรับสถานภาพของกันแต่งกัน ก็ตั้งแต่ก่อนจะแต่งงา น, นต้องยอมรับสถานภาพเหมือ น, นกันได้กันเจ้ามาแต่งงานแล้วแต่ละฝ่ายก็ต้องยอมรับสถานภาพหมายความว่าปัญญาก็ต้องยอมรับสถานภาพของสามีอยู่ก็เป็นสามีปัญญาก็ต้องยอมรับสถานภาพของปัญญาว่าเป็นปัญญาแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจกันด้วยความรักความเข้าใจอย่างที่ทรงแสดงเอาไวนะ้น่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่จริงแล้วเป็นตัวเป็นตนเรียบร้อย เพียงแต่ว่ายอมรับนับถือซึ่งกันและกันเระทรงสอนไว้ให้สามีปฏิบัติห้าข้อยกย่องนับถือสถานะของพัญญาเมื่อเรายอมรับนับถือเขาแล้วก็ต้องไม่ดูหมิ่นเขาเพราะดูหมิ่นเขานั้นก็คือการปฏิเสธสถานภาพเหล่านนั้ให้ลองสังเกตคําด่าทั้งหลายที่เขาด่ากันเนี่ยไม่เป็นการปฏิเสธสถานภาพของเขา คำด่าบางทีก็คนก็ไม่เป็นคนไปเลยหรือว่าเป็นเป็นอย่างที่เขาไม่ได้เป็นจริงเป็นการปฏิเสธสถานภาพเพราะทาอีกฝ่ายหนึ่งโกรธเพราะไม่ยอมรับรับถือสถานภาพของเขาแล้วที่ยิงคนด่า ก, ก็โกรธแต่คนด่า ก, ก็โกหกด้วยเพราะจริงสถานภาพก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น ด้าการดูหมิน่นเนี่ยคือการปฏิเสธสถานภาพทั้งๆ้ ท, งที่เรายอมรับสถานภาพก็มาก่อนแลยในสุดก็ไปดูหมิน่นเขาก็แสดงว่าเราปฏิเสธในข้อที่เรายอมรับก็ทําให้อิจฉายหนึ่งก็กลัวแล้วก็ไม่ประพฤตินอกใจและเห็นว่าก็ยอมรับสถานภาพของกันรในกันก็ไม่ไปหาพัญญาอื่นนอกจากพัญญาตน มอบสถานะความเป็นใหญ่ในฐานะแม่บ้านแม่เรือนโบราณก็ใช้คำว่าแม่เรือนบาลีท่น า, า, า, ทานใช้คำว่ากะหะปตานีเป็นผู้เป็นใหญ่ในเรือนแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจทะนุตนอมจิตใจรักษาน้ําใจกันไว้โดยการให้โดยการส่งเคราะห์มีของขวัญมีของฝากมีรางวัลอะไรต่างๆทั้งสองฝ่ายนั้นมีตัวมีตนเรียบร้อย เป็นเรื่องของระดับศีลธรรมจัญญาไม่ใช่ถึงกระถอนสักยติทิฐิอะไรนะก็มีตัวมีตนอยู่เพราะความรู้สึกในระดับนี้มันสังเกตว่าพระยาบุคคลระดับโสดาบั น, นจริงๆแล้นก็มีสามีปัญญาแล้วก็มีลูกมีตาไม่ได้วางแผนครอบครัวไม่ได้คุมกำเนิดด้วยนางวิสาขามีลูกถึงย0บแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นไม่ไป แบ่งเป็นรอเป็นเขาเพราะว่าจริงๆแล้วศีลห้าของท่า น, นสมบูรณ์เท่านสาปรชนต่างหลายจะสังเกตว่าถ้ามองเรามองพระรยบุคคลระดับศีลระโสดาบันระดับศีลคือศีลห้าท่านสมบูรณ์หมายความมาท่านยอมรับนับถือสิทธิทางทรัพย์สินทางคู่ครองทางชีวิตและการติดต่อสื่อสารกันโดยความรู้สึก ที่ดีเหล่านั้นเนะ่ยจึงไม่มองเมาตัวเองหรือสิ่งเสติดแล้วก็ไม่เชิญชวนจากชวนบุคคลอื่นให้เสพสิ่งเสพติดหมาวามว่าจิตใจนั้นมีเมตตาเป็นฐานมีความรักเป็นฐานมีความเมตตาเป็นฐานในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในส่วนของปัญญาก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ต้องสอนให้ยอมรับนับถือสถานะของสามีแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องมากับสามี น, นั้นก็คือญาติวงศ์พงศาของสามีจึงทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเช่นพ่อแม่สามีพี่น้องสามีปู่ย่าตายายสามีคือคนใกล้ๆเราต้องยอมรับนับถือสถานะของคนเหล่านั้นถามว่ามีตัวมีตนไหมก็มีตัวมีตนเรียบร้อย แต่ว่าการกระทําในระดับที่ต่ําลงมาเนี่ยให้ลองสังเกตว่าปฏิเสธตัวตนของเขาคือไปทําลายชีวิตเขาคล้ายๆกับตัวเองมีสิทธิที่ทจะทําลายอย่างพวกการฆ่าการท้องข่าวต่างๆนั้นที่กล่าวแล้วนั้นคือปฏิเสธตัวตนไปเลยยอมรับแต่ว่ามีตัวตนเกิดสักกายทิฐิที่ตัวตนรุนแรงแล้วกลายเป็นตัวเป็นเจ้าของชีวิตของบุคคลเอง ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้โดยจะพบว่ามีจุดบอดอยู่ในสังคมเช่นพ่อแม่เนี่ยบางทีก็ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าชีวิตของลกูกนึกจะเครียด น, นึกจะตนจะะีนึกจะทําอะไรก็ทำนึกจะทุบนึกจะทําลายข้าวของเขาก็ทําซึ่งโดยลืมไปว่านั้นคือสิทธิในชีวิตของเขาเราไปล่วงละเมิดเขาด้วยความรุนแรงนั้นไม่ได้จะเครียดจะตีก็ต้องพูดจาชี้แจงให้เข้าใจก็เห็นความผิด ซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องเครียดอะไรก็ได้อาจจะลงโทษดนวิธีอื่นก็ได้หรือแม้จะเครียดตีมันก็ต้องทำด้วยความรู้สึกที่ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีแก่เขาเพราะในจุดนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหามันก็มีปัญหาในการเกี่ยวข้องกันภายในครอบครัวเพราะบางทีเราก็เป็นเจ้าชีวิตเขาเกิดไป อะไรที่เราไม่พอใจลูกเล่นเราก็ทําลายเราก็โยนทิ้งนั่นะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเขา แ, แสดงว่าเราก็มีความเป็นตัวตนเราใหญ่โตมากอัตราของเราใหญ่มากแต่ประเทศอัตราเพื่อเหมดเลยคนอื่นต้องยอมสยบคนอื่นต้องเล็กคนอื่นต้องไม่สําคัญจริงๆ ร, ระดับศีลธรรมเนี่ย ท่า น, นยอม ร, รับอัตตาเรียบร้อยแต่หมายความมาอัตตาในฐานะที่ทัดเทียมกันในในส่วนที่เกียก่ยวกับสิทธิแต่ในขณะเดียวกันก็ยกย่องอัตตาที่สูงกว่าปู่ย่าตายายวงศ์สาคณญาติผู้ใหญ่เราก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ถึงการยอมรับนั้นอาจจะยอมรับหลายสถานะมีอายุมากกว่าก็ได้มีคุณธรรมความดีสูงกว่าก็ได้มีชาติกําเนิดสูงกว่าก็ได้ แต่ทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วก็มีอัตรามีสักยติทิฏฐิคือความถือเป็นตัวเป็นตนอยู่แนะ่แต่ว่ายอมรับไม่ล่วงละเมิดแก่กันและกันพระหน้าที่ของปัญญาที่ทรงส่วนมันก็คือการรักษาตนุตนอมในด้านร่างกายและก็จิตใจของสามีเช่นเดียวกันหรือการสงเคราะห์ญาติวงศ์ภาษาของสามีก็คือรักษาจิตใจของสามี พราะคนเราเวลาก็แต่งงานกันทีจริงมันไม่จะแต่งกับคนสคนแต่ว่าแต่งกับครอบครัวสองครอบครัวตระกูลสองตระกุลหรือบาง ท, ทีก็อาจจะแท่สองแท้ถึงคใหญ่โตมู่วารามาแล้วก็ขยันในการทำงานวิชลาดในการทำงาน จัดการงานได้ดีถูกต้องเรียบร้อยตามภาระหน้าที่ที่สามีเขายอมรับสถานะคือมอบความเป็นใหญ่ให้ก็หมายมัามยังไงหมายความถ้าเราทำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยสามีก็จะเกิดดูหมิน่นเพราะาเขาคาดหวังสถานภาพบระไวสูงว่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นแล้วก็พนุทาก็ดีไม่ได้ทําไม่ได้เพราะงั้นปัญญาเองก็ต้องยินยันสถานะของตัวเอง ว่าจัดการงานในขอบข่ายความรับผิดชอบของตัวเองได้ถูกต้องก็ทําให้สามียอมรับสถานะนั้นยิ่งขึ้นการนุหมินก็ไม่เกิดขึ้นคือไม่มีจุดที่ให้เกิดการตําหนิทิเติกกันแล้วก็ไม่ประพฤตินอกใจสามีก็แสดงว่ายอมรับสถานภาพของตัวเองและยอมรับสถานภาพของความเป็นพัญญาของสามี จึงไปประพฤตินอกใจไม่ได้ก็มีสักยาตทิฏฐิคือมีตัวมีตนเรียบร้อยนะฮะแต่เป็นเรื่องของสินธรรมจัร ญ, ญาเป็นการปฏิบัติที่มีความอึดเพื่อตอกกันนะรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติสามีหามาได้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าเรายอมรับความเกี่ยวเนื่องของทรัพย์สินเหล่านั้นกับสามีและกับตัวเราคือเชื่อมกันเป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบกัน ภารกิจการงานต่างๆมากจะต้องดูแลจะต้องจัดจะต้องทับมา ก, ก็ขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งกลุแล้วก็เป็นการรักษาทั้งครอบครัวคือกลายเป็นครอบครัวซึ่งก็มีเงื่อนไขปัจจัยต่า ง, างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเปน็นอันมากนั่นก็คือเรื่องของการไม่หลงสักยะทิฐิในแนวใดแนวหนึ่ง อันก็ออมาในแนวที่อัตราใหญ่อยู่เฉพาะเราคนเดียวก็จะดูหมิ่นคนอื่นกระทำย่ำยีบุคคลอื่นเบียดเบียนบุคคลอื่ น, น, น, น, นก็มเมนแกล้งร้ายบุคคลอื่นตลอดถึงมีความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ชอบทำในการทําลายชีวิตคนอื่นจึงถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดคือศักยาติทิฏฐิมากเกินไปแต่มากรองอยู่ที่ตัวเองไม่ได้นึกถึงคนอื่นว่าเมื่อเราเป็นตัวเป็นตนเขาก็เป็นตัวเป็นตนเหมือนกันเขาก็คือชีวิตเหมือนกัน ะการปฏิบัติระดับศีลจึงถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่จะรอ ง, ร, องรับอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันต้องเริ่มจากตรงนี้ได้แล้วในที่สุดเนี่ยจากจุดนี้เราจะพบว่าธรรมะในระดับของเมตตาซึ่งกหมายความว่าการยอมรับสิทธิในร่างกายที่มันมีกำลังมากขึ้น เราจะเข้าใกล้าการถ่ายถอนสักยตทิฏิเข้าไปแต่ค่อยๆขัดเกลียระดับเมตตาให้เราสังเกตว่าเป็นความรู้สึกที่เชื่อมเรากับเขาเข้าไปก็แล้วแต่จะมองนะจุดมองสูงสุดก็คือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจะก็หมาอความว่าเราก็มีตัวตนเขาก็มีตัวตนแต่ว่าไม่ใช่เรากับเขาที่จริงเป็นเรากับเพื่อนเราเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตา ย, ยกัน แสดงว่าได้แสดงว่าสักการทิฏฐิมันลดลงไปแล้วเมื่อก่อนเป็นตัวเป็นตนแรงมากจนถึงกับมีสิทธิชอบทำและจะทำลายบุคคลอื่นพอลดลงมาก็ปรับเข้าเท่ากันเราก็มีตัวมีตนเขาก็มีตัวมีตนเขาก็มีเราก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเขาก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยเราตรงนี้งดเว้นไม่ล่วงเกินไม่ก้าวไกลสิทธิของกันและกันสิฏฐิในชีวิตในทรัพย์สินในครอครองของกันและกัน แล้วก็ต่อมาก็มาเชื่อมโดยความเกี่ยวข้องผูกพันในฐานะเป็นเพื่อนกับเพื่อนสามีกับพัญญาสิทธิ์กับครูพ่อแม่กับลูกเจ้านายกับลูกน้องก็มาเชื่อมกันหมายความมาแต่ละฝ่ายนั้นทนุถนอมรักษาจิตใจของกันและกันโดยความรู้สึกที่อะไรที่บอกเป็นมิตรเป็นมิตรก็คือเมตตาคือไมตรีเมตตากับไมตรีก็มาเชื่อมข้า ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาในชั้นสามีปัญญาเราจะเห็นว่าในแง่กฎหมายก็ถือเป็นบุคคลคนเดียวกันในแง่ธรรมะเองก็ถือว่าคนคนเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวซึ่งหมายความว่าความไม่เราเป็นเขาเมื่อรถลงก็มีแต่เรากับพวกเราเราก็เพื่อนเราเราก็สามีปัญญาของเราเราก็ครูของเราเราก็สิทธ์ของเราเราก็พ่อแม่ของเรามันก็ขยายไปเรื่อยๆก็แล้วแต่จะขยายได้ขนาดไหน ตรงนี้ที่จริงศักยะทิฐิมันลดลงไปแล้วความรุนแรงต่างๆได้ลดลงมาแล้วโดยลำดับเป็นระดับของศีลธรรมจัร ญ, ญาที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันให้เกิดปกติสุขภายในสังคมเป็นประโยชน์ที่เราเห็นประจักษ์ชัดในปัจจุบันแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็ฐานความคิดเนี่ยก็มาจากเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งเท่านั้นเอง เห็นว่าศีลศีลข้อที่หนึ่งถ้าล่วงละเมิดน่ะก็หมายความว่าอัตราเราใหญ่แต่อัตราคนอื่นเล็กไม่มีความหมายอะไรนักจะฆ่าเมื่อไรก็ได้ผงวดเว้นศีลก็หมายความว่าสิทธิในอัตราในตัวชีวิตของคนของสัตว์เนี่ยมันเหมือนกันเราไม่ต้องการเขาฆ่าเราเขาเราไม่ต้องการให้เขาฆ่าเราเขาเองก็ไม่ต้องการเราฆ่าเขาเหมือนกันตรงนี้ปัญญานี่เหตุผลมันก็เกิดขึ้น มีความรู้สึกยอมรับนะับถือสถานภาพของชีวิตวแต่ละชีวิตจะเละ็กยะใหญ่อะไรก็ตามเป็นการปรับจิตไปเรื่อยๆคูดเกาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป